เรื่องทรงอนุญาตน้ำมันเจือน้ำเมามากใช้เป็นยาทาสมัยนั้นน้ำมันที่ภิกษุหุงเจือน้ำเมาลงไปเกินขนาดมากลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าพวกเราจะปฏิบัติในน้ำมันเจือน้ำเมาลงไปเกินขนาดนี้อย่างไร